สามจุดสี่ถ้าเห็นไตรลักษณ์ใจจะเป็นกลางการทำสมถะเช่นพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเราจะรังเกียจกายใจจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาใจจะไม่เป็นกลางต่อกายถ้าดูจิตดูใจเห็นจิตใจเรามีแต่ความว่างมีความสุขล้วนๆเราเห็นจิตนี้เป็นความว่างเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นของไม่ดีนะ กลับจะรู้สึกชอบมันยังพอรู้กายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะจิตเกิดติดเครื่องหมายลบไม่ชอบมันเพราะเห็นจิตใจเราสว่างมีแต่ความสุขล้วนๆติดเครื่องหมายบวกชอบมันถ้ายังมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบจิตจะยังไม่หยุดทำงานจิตไม่เป็นกลางต่อเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็นมันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ไม่เห็นจะต้องไปเกลียดมันหรือรักมันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยง เห็นมันเป็นก้อนทุกข์เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นโดยธรรมชาติธรรมดากายนี้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดาจิตนี้ก็เป็นทุกข์โดยธรรมชาติธรรมดามันจะไม่เกิดการรังเกียจกายรังเกียจใจและก็ไม่หลงรักกายหลงรักใจถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเองใจก็เป็นกลางกลางมันไม่ใช่ตัวเราจะไปยุ่งอะไรกับมัน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 รู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วไม่เติมแต่งไม่ทำงานใดๆต่อไปอีกการที่รู้แล้วไม่แทรกแซงไม่คล้อยตามไม่บังคับกดข่มนี่คือภาวะที่จิตจะเดินปัญญาอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ฟังดูเหมือนยากแต่เริ่มต้นจากการรู้สึกตัวเพราะการรู้สึกตัวเหมือนลูกกุญแจถ้ามีลูกกุญแจลูกนี้เราจะสามารถไขออกไปสู่ความรู้แจ้งได้ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไม่สามารถไขไปสู่ความรู้แจ้งได้จริงเราจะถูกขังวนเวียนอยู่ในห้อง คลำไปเรื่อยห้องที่เราถูกขังก็คือภพนั่นเองภพนี้มีทั้งภพน้อยภพใหญ่วันหนึ่งวันหนึ่งจิตเราก็เปลี่ยนภพไปเรื่อยๆถ้าจิตใจเรามีศีลมีธรรมเราก็อยู่ในภพของมนุษย์บางคราวจิตเรามีความโลภขึ้นมาก็ไปอยู่ในภพของเปรตในห้องเปรตวันใดจิตใจเรายึดในความคิดความเห็นอย่างรุนแรงก็อยู่ในภพอสุรกายบางคราวใจเราก็หลงใจลอยฟุ้งซ่านสงสัย ก็ไปอยู่ในภพของสัตว์เดรัจฉานถ้าจิตใจเรามีความทุกข์ก็ตกนรกตั้งแต่ตัวเรายังไม่ทันจะตายบางคราวเราทำบุญทำกุศลจิตใจเราก็มีความสุขก็อยู่ในภพของเทวดาบางคราวเราทำความสงบภายในเราก็ไปอยู่ในภพของพรหมจิตใจของเราหมุนเวียนไปเรื่อยๆใจเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมีตัณหาเป็นแรงผลักดันเพราะอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ ความอยากนี่แหละผลักดันให้เราดิ้นรนไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางจิตจะหยุดดิ้นรนจิตจะไม่ถูกตันหาผลักดันจิตจะเป็นอิสระค่อยฝึกไปนะไม่ยากอะไรหรอก